ฟังตามกันเราตาเป็นผู้พูดทอนทั้งหลายเป็นผู้ฟังฟางแล้วไปทำดูใหรเหมันเหตุสิ่งที่เหมือนเกิดขึ้นจากการกระรทถาำเลยที่นี่เหมือนกรรมาฐานประที่ทั้งของการกระทา ให้มีที่ตั้งมีการกระทำให้มันเกิดขึ้นการประชิดที่จำแนกไปเองเ้อประชิดหาเหตุนาผลให้มันพบเห็นในการกระทำอยากไปให้มันคิดเห็นและคาตอบจากความคิด เราจะไม่ถูกเสมอไปกรรมฐานนี่มันเกิดขึ้นจากการกระทำเราก็ยอมรับละว่างชีวิตของเรานี่จิตมันเป็นใจจิตเป็นหัวหน้าสำหรับ จ, จุดที่จิตที่ใจ จิตมันก็ไม่มีทัวรมีตนที่จะไปจับมาตกมาแต่งได้แต่ว่าก็มีอำนาจในความยิ่งใหญ่ในกายจึยงว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาเมื่อบนเป็นอย่างนี้เราจะสอนจิตได้อย่างไร จิตจะถูกสอนโดยวิธีไหนจึงจะเชื่อการฝึกจิตสอนจิตให้มันเชื่องให้มันไม่ประโยชน์ให้มันปฏิพึ่งพออาศัยได้ให้มันเป็นใหญ่ในทางที่ถูกต้องถ้ามันเป็นใหญ่ในทางไม่ถูกต้องก็มีผลกระกบทบกระเทือนในทางที่เป็นทุติ์เป็นพิษเป็นโทษ ต่อผู้ต่อตัวเราเองและคนอื่นวิธีฝึกจิตก็คือวิชากรรมฐานนี่เองสติปัฏฐานสี่มีสติไปในกายเป็นที่ตั้งไว้ก่อนมีสติไปในกายเป็นมระจำอะไรมาเกิดขึ้นมา ให้มีสติเป็นเจ้าของถิ่นเจ้าถิ่นเสกอนอะไรเกิดขึ้นมาจะได้เห็นสิงที่มัเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปเป็นกับบัดง่ายๆให้กลับมาลูกจักรตัวที่กายที่ตั้งเอาไวน้นี่ไปไหนกลับมาที่นี่ไปไหนกลับมาที่นี่ มีนิมิตคือกายเป็นที่ตั้งอยู่นี่ต <c oughs> ามรูปแบบของกรรมทานสิ่งที่เราทำอยู่ี่เรียกว่อาอริยบัพะสัพพัญญะบพะอริยบทมีอยู่จริงมีจริงมือเอาวางไว้บนเก่าก็มีจริงปิกมือขึ้นตะแคงไว้ก็มีจริงยกมือขึ้นก็มีจริง คลืไว้ไปมาตามรูปแบบของกา ร, รมาฐาน14บสาสิจังบาทก็รูปไปตาม14บสี่ท่านั้นต่อเรื่องมันจะเกิดอะไรขึ้นมากลับมาลู่ตรงนี้อย่าหลงไปกับมันกลับมาลู่กลับมาลู่ไว้ค่อนอย่าเพิ่งไปตอบสิ่งได้ที่มันเกิดขึ้นอย่าพึ่งไปเป็นสุขเป็นทุกข์ กับสิ่งที่เกิดขึ้นให้รู้สึกตัวให้รู้สึกตัวที่มีอริบทที่มีสมฉะปัปพะนี่เปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวทั้งหมดนี่คือวิธีสอนจิตจะเห็นความเท็จความจริงเห็นชิงเก่าที่เกิดขึ้นไปบ่อยเกิดความหลงตรงกันข้ามบทความรู้สึกตัว ต้องจอกันแน่นอนมันอยู่ตรงหน้ารวมรู้สึกตัวกับความหลงตรงกันข้ามพอดีไม่ได้หาความหลงเกิดขึ้นมาจะเป็นหลงจะเป็นสภาพหลงเค่นไหนก็าตามให้รู้สึกตัวไว้ก่อนกลับมารู้สึกตัวความหลงกลายเป็นความรู้สึกตัว ความหลงกายเป็นความรู้สึกตัวทุกคร <c oughs> <c oughs> ั้งเด็กครั้งที่มันหลงเกิดขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกตัวทุกครั้งที่มันหลงรู้เท่ารูทา้ทันวันหลเท่าใดก็ยิ่งชำนิชํานาญประสบการณได้บทเรียนได้บทเรียนได้ประสบการณ์ ก็จมนี้จำน า, น ค, านความเท็จเห็นความเท็จความจริงว่าความหลงไม่จริงความรู้สึกตัวมันจริงกว่าตัดสินใจเองตอบได้เองผู้ปฏิบัติย่อมรู้ยิ่ง <c oughs> เห็นจริงในธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะผู้ปฏิบัติคนอื่นรู้ตามไม่ได้ตัวใครตัวมันเป็นปัจจัตตัง แล้วเราก็มีหลักอยู่อย่าไปที่อื่นให้กลับมารู้จักตัวจะมีอะไรเกิดขึ้นตากายสางจิตใจนอกกายนอกใจเกิดขึ้นก็กลับมารู้จักตัวนี้หนึ่งวันสองวันจะเกิดอะไรขึ้นมาให้ทำสุดฝีมือจะปล่อยมัน ร, รีไปใน้ถ่งที่มันเกิดขึ้น สิ่งไหนเกิดขึ้นไหนรู้สักตัวเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยรวมรู้สักตัวเจรียงหรือเรียกว่าปฏิบัติปฏิบัติคือกลับมารู้สักตัวกลับมารู้จึกตัวกลับมารู้จกตัวนี่ให้ทำอย่างนี้มีงานให้ทำแบบนี้งานที่เราต้องทำมันมีงานแบบนี้รีกว่ากรรมฐานมันจะ ได้คิดชีวิตของเราไปเองไม่ต้องไปคิดหาคำตอบได้คำตอบทุกชีวิตจากกรรมฐานอมชคิดหาันไม่ได้คิดเห็นมันพบเห็นมันพบเห็นมันทำเป็นปฏิบัติต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเป็น เวลามันลงมันรู้จักตัวเป็นเวลามันสุกมันรู้จักตัวเป็นเวลามันทุกข์มันรู้จักตัวเป็นมันเป็นอะไรเกิดขึ้นมารู้จักตัวทุกเรื่องทุกเราจากนี้เลยว่าตัดเวรตัดกรรมก็ได้เปลี่ยนล้ายเป็นดีก็ได้ที่ว่าปฏิบัติเพราะมันทําได้ มันก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นมาสิ่งใดก็ตามรู้จักตัวมาทำได้รู้จักตัวมันทำได้ไม่ตกงอ้างก็อยู่ในฐานะแบบไหนเป็นคนหนุ่มคนเท่าคนแก่เปนนักบวชเป็นกัลาวาดไม่เกี่ยวข้องความรู้จักตัวเนี่ยของเราทุกชีวิตทุกชาติชั้นวรรณะเป็นหนึ่งเดียวเป็นอันเดียวกัน ไม่ทำอย่างนี้ถ้าทำาย่านี้เกิดขึ้นมันก็จะเป็นไปเองทุกสิ่งทุกสิ่งเกิดตัวเหตุที่ว่ากรรมาฐานเป็นริงจาแนกจิตใจที่ว่ามันเป็นใหญ่มันจะถูกสอนมันจะเรียนรู้มันจะเห็นมันจะถูกสอนถูกพัฒนาขึ้นมา เจตโภมนเฉชุที่ว่ามนุษย์เราถ้าปกกิจเป็นสัตว์ที่ประเสริฐทำไมฝึกมันเป็นสัตว์ประเสริฐไม่ได้อาจะเร็วไล่กว่าสัตว์สัตว์มันฆ่าตัวตายไม่เป็นแต่คนเราหนูฆ่าตัวตายเป็นฆ่าคนอื่นเป็น รเราจึงฝึกหัดเกินจิตที่มันหลายรูปแบบที่มันเ ก, กิดจากจิตจิตก็พันห้าฐานาก็ร้อยแปดของโลกความโกรธความหลงความรักความชั่มเกิดที่จิตเกิดได้ทุกรูปแบบ อะไรเกิดขึ้นมาก็ยอมรับมันทั้งหมดเวลามันหลงก็หลงไปเวลามันทุกข์ก็ทุกข์ไปถ้าเราฝึกเรามันจะเห็นมันจะรู้อะไรเกิดขึ้นมาเวลามันหลงมันเป็นความรู้เวลามันทุ ก, ก, ท ก, ก, ก, กข์ปป ก, ก, ก็เป็นความรู้เวลามันโกรธก็เป็นความรู้10ตัวเนี่เมื่อจิตฝึกอย่างนี้ฝึกอย่างนี้แล้วก็จะ มันปการฝึกได้ปฏิบัติได้จิต น, นี่มันปฏิบัติได้มันฝึกได้มันสอนได้เรามันเคยสอนมันกตีปล่อยมันชุ่นคิดในลมที่คุ้นคิดไหลเลื่อยอยู่บัเเงเกิเป็นกวันก็วันเป็นเปลวคิดไหลก็ต้องหัวตว่าตนไปเลย เคยจากความคิดก็ยอมรับทั้งหมดทำตามมันทั้งหมดบทนี้มาสอนมันลองดูให้รู้จักตัวให้รู้จักตัวขั้นไว้จก่อนอริบทกรรมฐานขั้นไว้จก่อนรู้จักตัวไว้ก่อนรู้จักตัวไว้ก่อนจะเกิดปัญญาเกิดปัญญาพุทธะขึ้นมาปัญญาพุทธะมันเกิดภาวนาไยปัญญา มปัญญาแบบกินตาะมยปัญญาสุดเตะปัญญาเกิดจากเรียนได้ท่องได้จำได้รู้ได้เข้าใจอันนั้นเป็นสุดเตาะมยปัญญากินตะมยปัญญาปัญญาที่เป็นการปัญญาผิวเผินรู้แต่มันใช่ไม่ได้บางโอกาสเช่นความโกรธไม่ดีใครก็รู้แต่ยังโกรธอยู่ ความทุกข์ไม่ดีใครก็รู้แต่ยังทุก์อยู่ไม่มีใครไม่รู้ปัญญาแบบนั้นมันไม่ไม่คมมันไม่คมมันตัดมันตัดไม่ได้รู้ดีรู้ชั่วกันแต่ยังทาชั่วชิดชัว่วกันทุกข์ประความทุกข์็นทุกข์ประความทุกข์ ทุกตีใดก็เป็นทุกทุกทีแต่ภาวนาไปปัญญาทุกไตรใดเป็นท่วมลู่ทุกทีทุกทีใดเกิดความลู่ทุกทีเอี้อนลอยเป็นดีทุกทีเมื่อยเป็นดีทุกทีมาเมื่อเป็นสว่างทุกทีสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันลู่มันลู่มันลู่เนี่ยความลู่สึกตัวเนี่ยไม่ใช่ความลู่สึกตัวอยู่ที่การเคลื่อนไหว เมื่อหัดไปหาดไปมันเป็นความรู้สึกตัวเป็นมันยิ่งใหญ่เป็นความยิ่งใหญ่ในการในใจเลยทีเวันนี้ยหรือว่าเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของจิตใจไปเลยเป็นสติอินทรีย์อินทรีย์ตัวใหญ่นี่กำว่าฐานเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นปัญญาที่มันคมมันเห็นเมื่อมันเห็นก็ไม่เป็นมันเห็นมันก็ไม่เป็น เห็นทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์เห็นความโกรธไม่เป็นผู้โกรธมันไม่ใช่ความถูกต้องต้องเกิดจากผู้ปฏิบัติเองอย่าทําเล่นๆอย่าทําแบบรูปูปปคัมคําำทำมันคมให้มันชัดเวลาวันคิดรู้จักตัวนี่กลับมาจากนี่กลับมาจากน่กลับมาจากนการกลับมาจากนี่มันจะคมขึ้นมามันจะ เป็นศาสตร์เป็นสิลปขึ้นมาถ้าไม่กลับมันไม่คมมันจะดีมันจะถูกฝึกหัดเพราะมันกลับมารู้จักตัวต้งสรงนี้ตั้องจีไวิตรงนี้ให้เป็นงานจริงๆให้ทำตรงนี้จริงๆมันก็จะเป็นกรอบเป็นกลับขึ้นมาจะชำนิชานานขึ้นมา สิแรกก็ง่ายที่จะหลงต่อไปง่ายที่จะไม่หลงความไม่หลงง่ายกว่าความหลงความไม่ทุกง่ายกว่าความทุกความไม่โกรธง่ายกว่าความโกรธเดีวนี้มันง่ายที่โกรธความโกรธเป็นความโกรธความทุกเป็นความทุกความหลงเป็นความหลงความรักเป็นความรักความชังเป็นความชังแล้วก็ พึ่งพาไม่ได้มีใจก็พึ่งใจไม่ได้ถ้าจะมีอะไรมาย่อมันก็เป็นไปตามมันถ้าเราฝึกแล้วมันจะงาลงที่ความรู้จักตัวลงความรู้จึกตัวลงที่รู้จึกตัวความรู้จึกตั ว, ว, ม, ตวมันก็เป็นศีแล้วความชั่วไปนในตัวความรู้จึกตัวเป็นสมาธิ รวมรู้สึกตัวเป็นปัญญาไปในตัวเป็นญาณเป็นวิปัสนาญาณรู้แจ้งรู้แจ้งกร่มรู้แจ้งเห็นจริงเกิดขึ้นเจอผู้ปฏิบัติจิงที่มันเกิดขึ้นบ่อยร่วมคืออะไรเห็นรูปเห็นหนามตามความเป็นจริงอาการที่เกิดขึ้นกับรูป น, นามรู้ทุกแง่ทุกมุม มันจะเกี่ยวข้องกับมันแค่ไหนเพียงไรเพราะมันมีเหตุมีผลมีเหตุมีปัจจัยเกี่ยวข้องกับแค่ไหนไม่เป็นตัวเป็นตนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปัญญาเสียแล้ว ตัญจาพุทธะเกิดขึ้นลักษณะแบบนี้หรือว่าวิปัสนาญาตข้ามล่วงจากภาวะเดิมเดิมเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมจะถูกพัฒนาขึ้นมาเห็น อะไรเกิดเกิดกายเกิดใจมองเป็นเรื่องเล็กเล็กแต่น้อยฮะความรู้สึกตัวเป็ดินสีตัวใหญ่เหมือนใหญ่ตัวใหใหญ่ก็มีอำนาจตัว ม, มีอำนาจก็เป็นความเป็นธรรมขึ้นมากายก็รับความเป็นธรรมใจก็รับความเป็นธรรมขึ้นมาร้องหลงไม่เป็นตรร ผมไม่หลงเป็นธรรมรวมทุกข์มันเป็นธรรมผมไม่ทุกข์เป็นธรรมรวมโกรธม่เป็นธรรมผมไม่โกรธเป็นธรรมเอาไปได้เรื่งที่ผิดทำไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นมาถ้าจิตที่ฝุดดีเดี๋ยวก็สังคงก็จะดีไม่มีใครเบียดเบียนกันเนี่ยจิตที่ฝึกดีแล้ว เศรษฐกษิจก็จะดีไม่เพื่อพุ่งเวยไม่ พ, พ, พุ่งเพื่อพุ่ยรู้จักประบาณในการบริโภคการใช้ชีวิตที่พอดีพอดีไม่มีส่วนเกินเมื่อสองของเกิดดีขึ้นมาคนทุกคนมีการฝึกตนดีแล้วก็เป็นประโยชน์เพื่อกลต่อทุกสรรพจริง อยู่นด้วยความสงบสุขไม่ เ, เปลี่ยนตนเองไม่ เ, เปลี่ยนคนอื่นเด็ดขาดแต่เรื่องที่เกิดกับกลางเกิดใจม่เป็นสุขเป็นทุกข์เด็ดขาดมันก็เป็นสังคบที่ดีจิตใจก็จะดีใจร้อง ก, ก็จะดีขึ้นมาเองถ้าใจมันถูกฝึกหัด มันก็ประเสริจริงๆประเสริฐตรงที่มันเป็นมีรูปมีนามมเกิดการกระทำความดีมีมือมีมือไม้มีจิตเป็นปัญญามีตาเป็หูรู้จกเปลี่ยน้ลยเป็นดีเกิบทุกอย่างอะไรก็ไม่เบียดเบียน เม็ดดินไม่ดถินไม่ดางอะไรต่างๆธรรมชาติไม่ถูกเปลี่ยนแปลงให้ทำอะไรให้เตื่นร้อนขึ้นมาเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อปัินิพานดหลังที่เราสาธเจะพัสชูธรรมะ พระเจ้าบัดขึ้นเรืในโลกองค์พระทำคำสอนอันเป็นไปเพื่อเท่าจากทุกเป็นไปพวกสมบเป็นไปเพื่อปัญญินิพานธ์ยินพึ่งพาอาศัยกันได้ในลานี้ถ้าเราไม่ฝึกแม้แต่เราก็เพึ่งไม่ได้พึ่งตัวเองไม่ได้เพึ่งใจก็เพิ่งไม่ได้ ก้มน้ายก้มดีไอรู้ว่าจะเป็นอย่างไรไม่มั่นใจตัวเองก็เลยปล่อยตัวเองทิ้งไปสมส่วนโสภพดีเป็นชีวิตสมสวนจิตใจจะคิดอะไรก็ได้คิดได้ทุกเรื่องทุกราว เดินสุกเป็นทุก ค, ความคิดมาไม่หลับเพรความคิดจินไม่ได้เพรความคิดโดดลูกของบความคิดสารพัอย่างดังน่านจะปล่อยที่วิททิ้งอย่างนั้นมันมีค่าบ้างค่าประโยชนที่ฝึกรวมหลงเป็นความรู้ สิ่งที่ไม่ดีเป็นความดีขึ้นมาควมโกเป็นความรู้ความทุกข์เป็นความรู้ขึ้นมาแล้ก็มีค่าขึ้นมาแล้ ว, ก, ว, ล ว, วลก็เพราะมันหลงมันจึงมีความรู้เพราะมันทุกข์มันจึงมีความไม่ทุกข์ความไม่ทุกข์ความทุกข์ไม่ทุกข์ปรความทุกข์ ดูดีๆอาจเป็นพุทธะได้เป็นนิพพานได้เราไม่เปิกแม้แต่ความไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์ผู้ที่เปิก ด, ดีแล้วความไม่เที่ยงเป็นนิพพานแต่เราสาธยายประศุ์เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารล้กเราไม่เที่ยง เงยน้อยย่อมน่อยน่อยในชิ่งที่เป็นทุกข์ที่ทนหลงดันแหลเป็นทางแห่งพระนิพานอ <c oughs> ันกเป็มิจฉาเนาะไม่ใี้เราไม่ฝึกก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทุกข์เพราะความไม่เที่ยงรลองห้เสียใจผัดพาดจากของเล่ของชอบอยเป็นทุกข์ ควาเที่ยงไม่เป็นทุกข์เพราะไม่เห็นความเท็ความจริงแต่ผู้ที่ติแล้วความ่เที่ยงเป็น น, นิพพานความทุกข์เป็น น, นิพพานอา่ัยความทุกข์ประกอบทุกข์มันเย็นในสิ่งที่บรรลนมันเบาในสิ่งที่มันหนักมันตรงมันข้ามปุถุชน การรนะยะน่ะชนอารีย้ยวกบคนมันไกลมันเปลี่ยนไปอย่างนี้มีขา2แขน2มีรูปมีนามเหมือนกันแต่รูปนามที่ฝึกดีแล้วมันเป็นประโยชน์เป็นเั้งเป็นผลถ้าไม่ฝึกมันเป็นอมบอยเกิดดับเกิดดับเกิดจอกอะไรต่างๆเกิดดับเกิดดับ เปนภพเป็นชาติในความหลงนี่มันเคยเจ็บเจ็บตายในความโกรธมันเคยเจ็บเจ็บตายในความทุกข์มันเคยเจ็บเจ็บตายในความไม่หลงมันไม่เคยไม่เจ็บไม่ตายในความไม่ทุกข์มันไม่มีเจ็บเจ็บตายมันอยู่ด้วยกันนี่จึงมีอยู่จริงนักผลนิพพานใน ชีวิตของคนเป็ น, เ, ปนเนี่ยมันฝึกหัดได้อย่าปล่อยมันทิ่งเวลาเราฝึกมันจะเห็นหลักเห้นฐานเห็นได้เหตุได้ผลได้รูปได้น้ำเห็นรูปเห็นน้ำตามความเท็จความจริงรูปงามมันจะบอกว่าคืออะไรโน่นบอกขก้อเทยวก็คือมันอย่างไรรูปดีแบบไม่เที่ยง เอ่ขึ้นแล้วจะเจ็บตายไปเอ่ขึ้นแล้วหายไปมีแล้วหายไปรูปมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนมันไม่เป็นใจได้ต้องเกี่ยวข้องกับมันจยางไรเราเห็นตอมจริงความเท็จของมันแนวความไม่เที่ยงมาเป็นทุกข์ไอ้ความว่าทุกข์มาเป็นทุกข์ลรูปมันเห็นมันไม่เป็น มันบอกเรามันก็มีปัญญาโลกรู้ในกองสังขารในรูปในนามนี่ในการได้ใจดีมันได้ปัญญาเพราะมันบอกอันนี้ความไม่เที่ยงนะอันนี้ควเป็นทุกข์เดอันนี้ความไม่ใช่ตัวตนนะจะทำตามมันแต่ถ้าเราไม่รู้มันเื้อเปรียบอะไรเสียเปรียบความโกรธเื้อเปรียบความทุกข์ ผิดาพาดประกอบโกรธผิดพาดระกอบทุกข์ผิดพลาดประกอบหลงหลักมังลัมื่อมันมีสติอินทรีย์เป็นใหญ่ไม่เฟ่งฟัดผู้ที่ฝึกแล้วได้ประโยชน์ตรงที่มันคิดตายเป็นปัญญาพันห้าเป็นปัญญามล้วก็เปลี่ยนไยอย่างนี้นะฝึกกรรมฐานนี่มันเปลี่ยนลายเป็นดีจริงๆ ถ้าไม่เผยก็หมักผมหมักบมวิ่งพวกพูนเข้าไปเพิ่มขึ้นผลุติไม่มีอะไรเลยหลงในเใช้ใจเคเจอเจ็บตายโลวันที่จะรับสรภาพรับสรภาพตควาบทุกตกหลงให้ ทุกครั้งที่มันทกต้องร้องไห้ทุกครั้งที่มันโกรธต้องทํามความโกรธทั้งที่ไม่มีอลไรบางทีมันเป็นทุกข์ความคิดเนี่ยบางท่านที่ไม่มีอะไรนะคิดมาเป็นทุกข์เนี่ยคิดมานมานเป็หลับยไม่มีใครมาทำเลยแค่นี้ก็ยังไม่รู้จักไม่ฉลาด ถ้าเรามาดูจริงๆเน่อยทุกจะตื่นตรงนี้มากที่สุดเลถ้ามีสติจะตื่นตรงนี้เลยกระโดดตรงนี้ได้มากที่สุดเลยตื่นตรงนี้พุทโธจะตื่นตรงนี้ตื่นทุกข์เนี่ยตื่นความผิดเนี่ยตื่นมากแต่คนที่ไม่ฝึกก็ดื้อด้านหลงกูยังดื้อ ก, กูก็ยังดื้ออยู่ช่วยได้ เป็นก็ดื้อด่าไม่ฝึกตัวอักษรตนไม่อายหน้าหูดอ้าบึ้งความโกรธแสดงถึงออกบะทำตามความโกรธตอนทั้งที่ไม่มีอะไรและมันไม่ใช่ตัวฉลอนเสียเปรียบมันเพราะมัหมายควาก็รู้สึกอายที่หลังท่อไปแล้ว เป็นกระทบกระเทือนเป็นปหน่ต่อตัวอย่างแล้วนอื่นตัะนั้นจิตมันเป็นใหญ่ให้มันเป็นใหญ่ในทางธรรมมาฝึกมันลองดูดิมีสติตนกายจะเห็นความคิดเห็นความผิดความถูกที่เกิดขึ้นจากกายจากใจจะได้สอนมันมันเห็นมันไม่ได้ มันประเดี๋มันไม่เฉลาแต่เราความทุกข์ปัญหาไม่ไมฉลาแต่ก็มันเกิดมาแบบโอ้โอ้รู้สึกตัวอยู่ดีมันเกิดหลงขึ้นบ่เลยมันมาแบบโอ้โอ้เหมือนเรามีตายูมันพิบินมากัดเรามันมาแบบโอ้โอ้ตะกาตะการเราก็ไล่มันได้พราะเราเห็นตามันเห็นจึงปลอดภัย ตานคือสติเห็นอาการได้เกิดกับกายกับใจกันมามันงูๆงควมหลงกวงมาแบบง้งนั่นแหละมีสติเลงความโกรธก็มาแบบงู้ ง, ค ว, บบ ง, งความทุกข์ก็มาแบบงูๆงที่จุดไม่เฉียวฉลาตัดตด็ดทำไมจะยอมแพ้มันทั้งที่มันทําได้เยในความหลงมันมีความไม่หลงอยู่ในความโกรธมีความไม่โกรธในความทุกข์มีความไม่ทุกข์เปลี่ยนโลกดู เหมืนมอนน้มือหลังมือเนี่ยมีสติให้ก่อนมีสติไว้ก่อนจึงฝึกตนสอนตนบ่จึจะมีค่าขึ้นตาถ้าไม่สอนกายสอนใจก็มีแต่เป็นทุกเป็นโทษตัวตัวเองแต่สอนก็ได้ประโยชน์ สังคมดีเศรษฐกิจดีเราก็ไม่ดื่มสุขบุตรก็ไม่สูบไม่พุ่งเพือพุพ่งเปลอยดูดดจบช ช, ชีวิตที่โบที่สมดับเปชอกเราก็เป็นสัตว์สังคมไม่ค้อบกลัวมันก็เป็นสังฆาเกิดขึ้นให้เข้ครัวสมัคคีกัน มันเป็นคนคนเดียวกันมัใช่คนแล้วคนถ้ามีสติเป็นคนคนเดียวกันถ้ามีสติทุกคนก็เล่าควาชื่ออยู่แล้วถ้ามีสติทุกคนก็ทำความดีอยู่แล้วถ้ามีสติทุกคนก็จิตก็บริสุทธิ์อยู่แล้วอะไรเกิดขึ้นเห็นกันได้ดูแลกันได้พึ่งอากาศอาศัยกันได้มั่นใจพึ่งพาอาศัยกันได้ เห็นกันได้เห็นกันทุกวันยิ่งมีประโยชน์สําหรับครอบครัวจริงๆทํามานะเพื่อคนหมู่มากจริงๆไม่ใช่เพื่อแต่คนเดียวเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากพระเจ้าจึงประกาศเจริญถาพิกเวจารีกัน พระหัวชะได้ตย่ยาพระหัวชะได้สุขะยะโรกันต์กัมปายะเพื่อประโยชน์แก่พระหูวชนคือจํานวนปาเกื้อกูลแก่ผู้คนแก่ตัวเราและคนอื่นมันไปอย่างนั้นจริงๆนั้นคนอื่นหลงปล่อยกันทิ้งไม่ได้นั้นคนอื่นโกรธปล่อยกันทิ้งไม่ได้ปล่อยทิ้งไม่ได้ต้องบอกกั น, มนไม่ไม่หลงก็ได้ไม่โกรธก็ได้ไม่ทุกข์ก็ได้ไ ย, ย, ย, ยันเย็นเล็กน้อยจับไม้จับมือตั้งใจใหม่ตั้งใจใหม่เพราะถ้าเราฝึกเราแล้วก็เห็นรู้จักคนอื่นเขาอยู่ในฐานะแบบใหม่ก็รู้จักช่วยกันนี่ถ้าเราไม่ฝึกตัวเราไม่รู้จักคนหนึ่งโกรธคนหนึ่งโกรธตามแล้วคนหนึ่งโกรธคนที่สองโกรธตอบจะตที่จะช่วยกันเจ๊ดายตุ๊กเจ๊ดาย ก, ก่อการทิร้งทำใหเกิดการเสียหายได้นี่เป็นงานของมนุษย์หนึ่การช่วยไม่ให้คนหลงไม่ให้ใคนโกรธไม่ให้ใคนทุกข์เป็นงานของมนุษย์ไม่ใช้ช่วยงานอืนอ่นถ้าชนะจิตเโนนีนนนไ่ได้ความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่เป็น ก็ยู่ตัวเราไม่มีผลกระทบตัวเราเพราะเรา ร, รู้จักแล้วมันคืออะไรเกี่ยวกักบความแช่ไหนเพียงรนะะใล้วามเจ็บความเจ็บความตายนี่เป็นเรื่องใหญ่เสร็แล้วเรื่องใหญ่เสร็จแล้วยังไม่เกิดกับเราก็ก็กลัวกันแล้ว โกะโงอื่นก็ยอมจะทุกข์แลวามใจไม่ได้ทกใจไปได้แต่ถ้าเราฟงกหัดมาทำได้มนทำได้เห็นความเท็จความจริงนี่แน่นอนเกเิดเจอเจ็บตายในรูปมนนามนี้ มีเน่นอนความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายในรูปในนามนี้ท้าประกาศเามันมีอยู่ผมสอนว่าเจ้าถ้าไม่มีมรรคผลไม่ต้องมานับถือพุทธศาสานาก็ได้ศาสนานี้มีธรรมวิ น, นันปฏิบัติตามธรรมตามวิ น, นันมันเป็นมรรคเป็นผลวิหนคือวิคือวิเศษในยะนำไปู่ความวิเศษ ความหลงมันไม่มีเศษความไม่หลงวิเศษนำไปอย่างนี้ความทุกข์ไม่มิเศษความไม่ทุกข์พิเศษกวาถูกต้องกวาวถ้าไม่หลงไม่หลงไม่แต่รู้รูไปอะไรไม่จะทำไ้เป็นทุกข์ไม่มีในในร่างกายละใจของเรานี้จึงใส่ใจจากน้อยอย่าประมาทชีวิตของเรานี้ประเทศไทยภาษาพูดแบบไทยไทาย มาตรานแบบไทยๆผ้ า, าสมแบบไทยๆวัฒนธรรมของคนไทยแบบคนไทยๆสะดวกพอสมควรในเรื่องนี้ไม่ลำบากแล้วก็ยิ่งตัวเราก็มีการมีใจมีรูปมีนามยิ่งสะดวกเป็นสูตร เป็นหลักสูตรที่เราต้องศึกษาเรียนรู้กับมันอยู่กับเราตลอดเวลามันหลงก็อยู่กับเราความไม่หลงก็อยู่กับเราหัดใช้มันบิหน่อยนำไปนำไปรับนำไปแะไรกิดขึ้มนมานาไปให้มีความรู้จักตัวนี่รู้จักตัวตื่นตัวตื่นตัวตรงไหนที่มันอ่อนเสริมขึ้นมา มันต้องเห็นจุดดอนของตัวเองเนี่นวนก็กรกรมฐานนี่เพราะมีที่ตั้งไวเ้เลยมั่นใจรู้จักตัวอยู่นี่รู้จึกตัวนี่อะไรเกิดขึ้นมารู้จักตัวอยู่นี่รู้จักตัวนี่มันมั่นคงนะมั่นคงรู้จักตัวอยู่นี่มาอะไรเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาจะรู้จึกตัวนี่ทำได้แค่ น, นี้นะกรรมฐานนี่ กรรมจำแนกไปจริงๆถ้าไม่มีกรรมก็ไม่มีอจิ่งจำแนกไปกรรมจําแนกทุกสิ่งทุกอย่างทําดีก็ดีทําไม่ดีก็ไม่ได้ดีนะ yeah. อยากถือว่าวันอยู่ที่ไหนอยู่กับตัวเรานี่เมื่อพึงอาจพอได้สูตรแล้วก็ไปทําไปปฏิบัติ ไม่มีขอบเขตขอบรู้จักตัวไม่มีที่ไม่มีสถานที่ไม่มีการเวลาอาการกนิขาดมอยู่ในตัวเรานี่รู้ได้รู้ได้อย่างนี้สมควรเจเวลากับพระพร้อมกัน